พระธรรมเทศนาแผ่นที่68ดลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สกลกุมภาพันธ์5 8มีชื่อเรื่องว่าตามครูบาอาจารย์ไปแล้วจะไม่หลงทาง วันนี้เป็นวันที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำพวกเราได้ลงอุโบสถจบลรงศักครู่นี้เป็นการลงอุโบสถถ้าหากว่าไม่ใช่แปดสองหนวันนี้ก็เป็นวันเดือนสามเพน แต่เนี่เป็นวันพระเท่ากับเดือนสเดือนองเพนวันนี้อีกหนึ่งเดือนจากนี้ไปเป็นวันมาฆบูชาเมื่อเช้าหลวงพ่อเองผมเองได้พูดเกี่ยวกับเรื่องศีลศีลของครวด่ด แต่พวกเราเมื่อกี้นี่พวกเราได้ทบทวนศินของพระศินสองรี่สิบของพระศิลของพระศินของสัมมาเนนศินของสัมมาเนนก็คือศินสิบสินของพระก็คือศินสองรี่สิบที่เราพวกเราได้ทบทวนจบลงสักครุนี้แล้วก็สิน สมาธิปัญญาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ว่าศีลห้าไม่ว่าศีลแปดไม่ว่าศีลสิบเรียว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลแต่ธรรมนะ่ยคือรักษาใจธรรมนะ่ยคืออยู่ในคุณธรรมคืออยู่ในจิตใจแต่ศีลเนนะี่ยคือรักษากายการเคลื่อนไหวการกระทํา การเป็นอยู่ของร่างกายไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางส่วนวาจาคือคําพูดไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่างวันนี้นะเป็นวันอุโบสถเป็นวันอุโบสถท่านให้พูดเรื่องเกี่ยวกับศีลในการเป็นอยู่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพระทุกองค์อยู่ในกรอบของศีลในเมื่อศีลดีแล้ว สมาธิก็จะไปด้วยกันจะไปได้เพราะศีลมันเป็นรั้วกัน้นไม่ให้กายวาจาขนองในเมื่อใจกายวาจาไปแนวแถวอยู่ในหลักธรรมวินัยแล้วใจของเราก็มันไม่ออกแแวะซ้ายแวกเวียนขวาน่มันก็เดินตรงเมื่อเดินตรงก็คือเข้าสู่สมาธิได้ง่ายเพราะนั้น เรื่องสมาธิเนี่ยก็คือต้องเป็นผู้มีศีลศีลซะก่อนในเมื่อศีลดีแล้วสมาธิก็จะไปได้ได้ดีพูดอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆอ ง, งนะในการภาวนาให้ยึดแนวแถวองค์หลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอนไม่ใช่ว่าเข้ามาที่ี่ตนน้น เอาเรื่องอย่างอื่นได้ฟังเทปอิมพีสามที่อื่นมาแล้วเอามาภาวนาเอามาปฏิบัติเพ้อเพอเด้จะเป็นบ้าเอาที่ไหเออมันเป็นบ้าไม่ ไ, มได้นะเออมันผิดออกนอกลูกนอกทางนะเพราะฉะนั้นต้องไปแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของสายของเราเราของพ่ อ, อได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วถึงจะผมจะไม่พูดว่านี่นะเป็นแนวความคิดของผมนะ ถึงจะไม่อย่พูดอย่างนั้นข อ, ขอเถอะแต่ผมยอมรับในแนวคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาเพราะนั้นผมจึงได้เอามาสอนเอามาบอกแปลว่าผมยอมรับแล้วในเมื่อพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ก็ต้องฟังถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายทิฐิไม่เห็นไม่เห็นด้วยในอยู่ในการอยู่ณ ส, สถานที่นี่ เอ่อมันก็ไม่ควรจะอยู่เพราะเหตุไรเพราะอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องไปอยู่ในสถานที่เขาฝึกยังไงต้องไปฝึกอย่างนั้นเมื่อเราเขาไปฝึกโยคะเราก็ต้องไปอยู่ดูกับเขาแต่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงในเมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ต้องปฏิบัติตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาที่ผมได้มาแนะนาสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนอย่างเมื่อกี้เนี่ยขณะผมเข้ามาจาก นัง่งางนอกวัดหลวงตาก็ยังเทศให้ฟังบอกว่าเรื่องสมาธินี่นะเราเองได้กาหนดภาวนาพุทโธแต่ก่อนเรากาหนดลมหายใจเข้าออกมันมีช่องว่างมันมือเผลอมันหลงลืมได้ง่ายแต่ผมเราเนี่ยได้แนวรับแนวแถวที่หลวงปู่มั่นท่านสอนว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท ขาเก้าขวาขาพดขาซ้ายโถเวลาปัดกวาดเวียงขวาพดเวียงซ้ายโถดูในอากัศกริยาในการเคลื่อนไหวของร่างกาย บ, าบับงคับบังคับให้จิตใจออกไปคิดออกไปนอกรูกนอกทางเออทั้งส4มสี่วันดูสิเหมือนอกจะแตกนะ บ, บังคับไม่ใช่ธรรมดาน ะ, อะพอจากนั้นมา พอมันจิตมันอยู่กับตัวเองแล้วมันอยู่เห็นพอมันคาพอมันอยู่เจติอยู่กับตัวเองใจอยู่กับตัวเองจนไม่มีอกิเลสมันเข้ามาไม่ได้จนใจของเราไม่สามารถที่จะออกไปหากิเลสได้เนี่ยมันหยุดอยู่นิ่องอก็รู้แก่ใจว่าอันนี้คือมันจะเสื่อมไหมเนี่ยเอเรามั่นใจว่ามันไม่เสื่อมจากนั้นมาเราก็ตั้งตัวได้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจากนั้นเราเมื่อจากนั้น เมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วเอจนได้ไปกราบองค์หลวงปู่มั่นอหลวงปู่มั่นแล้วก็ถามว่าไงเจ็บมะมมหาสงบไหมพระอโอกสงบแน่นปึงเลยแน่นมากเลยครับผมเรื่องจิตสงบเออถ้ามันสงบแล้วก็ให้ถอนออกมาพิจารณานะอย่าให้มันสงบอยู่เฉยเอแต่ท่านบอกครั้งหนึ่งเราก็ถอนไม่ออกเพราะมันสงบจิตใจสงบมา นมนานจนจนมันเน่งจนแน่วแน่แล้วมันถอนจนถอนไม่ขึ้นในขณะที่จิตสงบต่อมาก็ไปอีกเป็นไงมหาจิตสงบเป็นไงถอนมาพี่น้ำยังครับมันมันไม่ได้มันจะมันจะอยู่ในความสงบครับข้าวนี่แหละหลวงปู่มัน่นแต่เพิดอย่างแรงฮะท่านก็พูดให้ฟังพวกเราให้ฟังเอาไว้นี่แหละคือแนวปฏิปทาหรือว่าแนววิถเทินเดิน สมถะ ท, ท่านเดินอย่างไงท่านบังคับจิตใจให้อยู่ในความสงบอย่างไร <c oughs> สมถะคือทําจิตใจให้สงบวิปัสนานี่ก็คือนําที่จิตสงบแล้วนํามาพิจารณากานกรองไตรตรองเหตุและผลพิจารณาอะไรเนี่ยพง่ายๆว่าพิจารณาร่างกายเพราะว่าจิตใจของเรามันหลงหลงร่างกายเนี่ยมันหลงผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเอินกระดูกว่าเป็นของตัวเองว่าร่างกายจะอยู่เป็น จะอยู่โช่ฟ้าดินสลายจะตายไม่เป็นว่าเป็นของเราแท้แท้ในเมื่อร่างกายเป็นของเราส่วนอื่นมันก็หลงไปหมดที่พักพาอาศัยมูพวกเพื่อนวัดวาศาสนาครูบาอาจารย์ตลอดถึงอะไรต่อไม่อะไรหลงไปหมดเพราะมันหลงร่างกายของตัวเองในเมื่อเรามาพิจารณาแยกแยะแยกแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายแล้ว ร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นก้อนอนิจจังอีกไม่อีกสักวันหนึง่งจะต้องแปลสภาพเป็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงไม่เที่ยงขนาดไหนถึงตายถึงตายได้ร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของจิรังถาวรนนี่เพราะว่าอันนี้ากร่างกายเป็นอนิจจังจากนั้นสิ่ ง, ส, งสิ่งไหนที่เป็นอนิจจังสิ่งนั้นก็เป็นทุกขังไม่ใช่เป็นทุกเราจะไปยึดอนิจจังว่าเป็นสุขได้ยังไงเพราะมันไม่เที่ยงมันจะเป็นสุขได้ยังไงมก็เป็นทุก ในเมื่อเป็นคุกเราจะไปยึดของทกมาเป็นของเราได้ยังไงจะว่าอนัตตามิใช่ตัวตนของเราเนะนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์ลักษณ์อันนีจางทกขังอนัตตาเมื่อเห็นร่างกายเป็นอนิจจังทกขังอนัตตาเป็นอสุภะปฏิกูลเป็นของไม่เที่ยงแท้มันคง เ, เป็นของอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสู่สลายดูสู่ดินน้ำลมไฟเมื่อเมื่อใจของเราพิจนารณาที่ไรก็เห็นชัดเจน กำหนดดูเมื่อไรก็เห็นชัดเจนจะยืนเดินนั่งนอนจะไปนะสถานที่ไหนนก็ตามร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราในะใจนะอีกสักวันหนึ่งนะไม่รู้เวลาไหนละ่ะจะต้องแตกสลายแน่ๆในะใจนะในเมื่อเราเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ใจ้องเรามันก็มันมองเดยวแล้วมันก็จะต้องย้อนมาหาตัวเองย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจเออมาหาตัวผู้รู้ เอาสติจับอยู่ที่ตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ตัวนี้ก็เหมือนกันถ้ามีสติสติปัญญาแต่ไม่ใช่สติธรรมดานะตัวนี้นะมันต้องมาหาสติมาหาปัญญาสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัติเป็นสติปัญญาที่แน่วแน่สติปัญญาที่เข้มแข็งจริงๆงานดูที่ใจก็เห็นที่ใจเห็นอนิจจังของใจนึกคิด เดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นแล้๋ยวก็คิดเรื่องนี้แล้วก็ปรุงนั้นแล้วก็ปรุงเ อ, อถึงมันจะไม่ปรุงให้ยืดยาวแต่ก็รู้เงื่อนว่ามันปรุงมันปรุงแต่งมันยับเย็บเย็บเย็บย็บอยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือใจของเราก็เป็นอนิจจงของไม่เที่ยงเหมือนกันสิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนที่เป็นไม่เป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาในเมื่อเห็นใจของเราเป็นสิิ ง, งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มันก็เกิดความเบื่อหน่ายลงที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนั่นแหละมรรคผลที่พานไม่ได้หาที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นให้พวกเราอันดับแรกก็คือเรื่องศินนะวันนี้พวกเราเรื่องทบทวนเรื่องของศิลคือหลวงอุโบสถคือทบทวนของศินเรื่องสินจากนั้นผมได้พูดเรื่องสมาธิพวกเราท่านทั้งหลายทุกองนะที่มาศึกษาอยู่ที่วัดของผมนะ ให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นสายองค์หลวงตาพอเรามาศึกษาสายนี้เพราะนั้นขอให้พวกเรายึดเพราะเรามั่นใจเชื่อใจมั่นใจว่าแนวแถวของหลวงปู่มั่นเป็นสายพระอรหันต์จริงไหมกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุให้เราเห็นเราศึกษาดูสิให้ศึกษาให้ทวนทีดูสิเราจะไปศึกษาแบบผิวเผินแบบ ธรรมดาศึกษาให้ลึกซึ้งศึกษาให้ทุกอย่างตั้งแต่เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเดินยังไงตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านพาเดินเดินวิปัสสนาเดินกันยังไงเดินเข้าสู่มรรคสู่ผลพวกเราจะหายสงสัยถ้าคิดดูดูแล้วก็เป่าซ้ายเป่าขวา คนนั่นพูดอย่างนี้คนนี้พูดทังโยกไปโยกมาผลในสุดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ผลในสุดหลงตัวเองอีกต่างหากเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะอยู่นะแต่เป็นอะไรก็ตามรู้อะไรก็ตามอย่าไปพึ่งให้ให้คะแนนอย่าพึ่งให้คะแนนตัวเองเร็วเกินไปอแล้วก็จะไปปักปั๊มตัวเองเอจนเกินไปจนหมดกําลังใจยอย่าให้คะแนนตัวเองเร็วเกินไป ต้องดูเพราะเหมือนเรายังไม่เคยไปเหมือนเราไปถึงเดินไปถึงเมืองอุดอรเอะอันนี้มันเป็นขอนแก่นนั่นเป็นอะไรเน่ะเป็นอุดอรเป็นขอนแก่นเนี่ยวะปรับเราจะไปเชื่อว่าเป็นขอนแก่นเลยทีเดียวไม่ได้เออเราก็ต้องดูซะก่อน เ, อเข้าไปดูจนมั่นใจเออใช่อันนี้คือเมืองอุดอรเอออันนี้คือเมืองขอนแก่น เ, เราจะเราจะไปให้ เชื่อที่เดียวเพราะเราไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่ออย่าไปให้คะแนนตัวเองบางคนพอไปจิตใจเพียงสงบเท่านั้นละ่ะก็ว่าตัวเองได้สําเร็จมัก่กสําเร็จผลกระโดดโลดเต้นประกาศเป่าร้องว่าข่าได้มัก่กข่าได้ผลผลที่สุดอีกสักวันหนึ่งมันเสื่อมลงไปเลยลจะล้อยจะร้อยนอยน่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดได้ง่ายๆ แต่ไม่ใช่ว่าข้าเป็นเศรษฐีแล้วนะเดี๋ยวเนี้คนคนทั้งหลายก็ฟังเอาไว้ว่าเป็นเศรษฐีแล้วนะแต่อีกสักวันหนึ่งโอ้ยขี้ทุกข์อย่างเก่านะ เ, เราจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อเราพูดออกไปเราต้องมั่นใจเกินร้อยจึงจะพูดออกไปได้ อ, อถ้าไม่พูดไว้ราไม่ต้องพูดเราอวดไปเพื่ออะไรเราต้องการอะไรอยากจะให้เขายกย่องตัวเองใช่ไหมอยากได้หน้าใช่ไหม อยากได้ราบได้ยศใช่ไหมอยากตัวเองอยากเป็นฮีโร่อย่างงั้นใช่ไหมซิ่งเหล่านี้ให้ถามตัวเองอยู่ตลอดถ้าคนมีธรรมแล้วนะมันจะรู้จักประมาณในการในตัวเองถ้าคนไม่รู้จักถ้าคนไม่มีธรรมน่ะนั่นะน่ะเป็นกรร ม, มฐานนกวีดไปที่ไหนลนะูกขนาดเขาตำข้าวยังไปเทศให้เขาฟังอยู่ท้องไร่ท้องนาไปที่ไหนพายบาดไปรู้จักไหมธรรมะเ พ, ยะพียงนี้ธรรมะเพียงนี้ธรรมะบาสนั่นน่ะ กานั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่พูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นนะให้พวกเราสังเกตตัวเองให้ศึกษาแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินนะพวกเราจะไม่หลงทางถ้าหากว่าเดินแปลกแวกออกนอกทางแล้วนะ้กู่ไม่กลับเหมือนกันนะกว่าจะกลับได้พอแรงมันะจนจะถึงจะได้เข้าโรงพยาบาลศีสัญญาหมหาโพพลันะ มันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละทำแตกนะผนั้นระวังนะทาไปแนวแถวที่พ่อแม่กูบายอาจารย์พาดาเนินแล้วผมรับรองไม่ใ่ร100้อยเปอร์เซ็นต์พอร์ซต์ะอย่าไปส่งจิตออกนอกในขณะที่ใจสงบดูให้ ด, ดูดูใจออกจากดูใจแล้วให้ดูหเห็นเห็นให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอะไรออกไปก็าตามไม่ของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดในจักรวาลขนาดใจตัวเองยังไม่เที่ยง จะไปมองสิ่งอื่นเป็นของเที่ยงได้อย่างไรนะต่อนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมก์นะ